เรานั่งภาวนาเรานั่งภาวนาแล้วก็มีของเยอะแยะเลยมาจากลุมพูรีซีดี นนนนเอาช่วงนี้เป็นช่วงวันสุดท้ายวันสิ้นสุดการอบรมแล้วก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงสุดท้ายด้วยเรานั่งภาวนาฟังอบรมไปช่วงนี้ตอนนี้เป็นช่วงสุดท้ายจากนี้ไปจนถึงสิเบเอ็ดโมงแล้วก็จะมีการลาสิกขาเสร็จแล้วมีพิธีอะไรอย่างอื่นเราก็ทากัน จากนั้นแล้วเราก็รับของที่ระลึกเป็นซีดีให้ความรู้เป็นวัตถุมงคล อ, อย่างน้อยเป็นเป็นเครื่องระลึกของติดมาติดมือ อ, อ๋ป อ, ป, อ, ป, อ, อปฏิบัติต่อไปถึงใบสองบสอ๋อ อออ๋ออเออเอ อ, อก็ดีอบทวนไว้ก็ดี <c oughs> เอาเข้าที่เลยเข้าที่เลย <c oughs> เข้าแอกเข้าไถ่เลย <c oughs> ทำหน้าที่ลากไปเลย <c oughs> ลากใจลากใจจูงใจฉุดใจลากให้ห่างจากกิเลสลากออกจากกิเลส พยายามจำระพยายามขัดเกลาพยายามปัดเป่ากิเลสออกจากใจดึงใจออกจากกิเลสลากใจออกจากกิเลสจําระกิเลสออกจากใจเรามีหน้าที่อย่างเดียวมีหน้าที่คอยแยกกิเลสออกจากใจเราจะแยกยังไงเวลามันโผล่มาเป็นตัวตัวแสดงกิริยาราคะขึ้นมาแสดงกิริยาโทะขึ้นมานั่นแหละมันเข้ามาแล้วเราต้องแยกมันออก เครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือที่เอาไปแยกคือสติธรรมปัญญาธรรมสติสัมปชัญญะปัญญาธรรมขันติความอดความทนวิริยะความภาคความเพียรความการพระคับพระครองต่อเนื่องอพยายามจํากัดให้มันมันอยู่ในใจจํากัดจํากัดให้มันอยู่ในใจย่าให้มันออกมาทั้ง กายกรรมจะให้มันออกมาทางวิจิกรรมจํากัดให้มันอยู่ที่ใจจากนั้นแล้วเราค่อยๆค่อยๆส่องไปดูมันค่อยๆตามไปเล่นงานมันที่มันอยู่ที่ใจนะดูไปพิจารณาไปสังเกตสังกาไปเราก็จะเห็นมันเห็นมันโผล่ปึ๊บโผล่ Pro, แปบ๊บมาถ้าเราตามมันไม่ทันอ้าวราคะเยิ่มมาแล้วโผล่ Pro, แปบ๊บมาเราตามไม่ทันอ้าวโทระเยิ่มมาแล้ว น, นั่นตัวมันแสดงออกมาให้ปรากฏน่ย แต่ตัวที่ปรากฏปรากฏตัวก่อนราคะโทสะจะมาตัวนี้คือตัวความอยากคือตัวตัณหา อ, อันนี้เป็นหัวนำหัววิถีของกิเลสที่มันนำใจพาใจไปเกาะไปเกี่ยวไปผูกพันไปยึดไปถือไปยึดผิดผิดถือผิดผิ ด, ผดสำคัญผิดผิดเพราะฉะนั้นการใช้สติปัญญาย้อนไปดูเพื่อจะให้เห็นข้อเท็จจริง ตะ ร, บระรบาดจระบายที่เรายังไม่ไม่เห็นข้อเท็จจริงแล้วก็ทายผิดเข้าใจผิดสําคัญผิดยึดผิดถือผิดแล้วก็ในขณะเดียวกันก็พลอยได้รับทุก์ได้รับโทษจากการที่เราถือผิดนั่นแหละสําคัญผิดบางทีเลื้ออดเลื อ, อ, ลอทนจนแสดงกิริยาทางกายออกไปแสดงกิริยาทางวาจาออกไปมันก็ยิ่งเพิ่มกรรมเข้ามาเรื่อยเพิ่มกรรมเข้ามาเรื่อยตัวผิดตัวภัยที่แท้จริงอยู่ที่จิตตัวความอยาก ก่อนที่ราคะโทสะมันจะแสดงกิริยาทําให้เกิดปฏิกิริยาราคะโทสะโมหะตัวความอยากมันจะนําก่อนมันจะมาก่อนมันโผล่มาปับ๊บพอมันโผล่มาปับ๊บมีตัวมี ต, มตนมาพร้อมอือโอ้เราดีโอเราเก่งเออเรามียศะเรามีเกียรติเรามีนุ่นเรามีนี่เรามีศักดิ์ศรีเรามีอะไรสารพัดโอ้ดูถูกเราโอ้เหยียดหยามเราเออมัดง่ายเราอ่า คำหน้าคำตาเราเนี่ยถ้ามีเรามีตัวมีตนแล้วมันจะมีความนึกความคิดอยู่อย่างนี้ตลอดมันเป็นกระแสที่เอาความทุกข์มาทับถมจิตตลอดนี่คือความทุกข์ความทุกข์อันนี้เป็นความทุกข์ที่พวกเราจะทราบได้ต่อเมื่อความทุกข์ที่เลืออดเลื้อทนจริงๆถึงจะทราบว่าเป็นความทุกข์สาเหตุที่แท้จริงที่จะเป็นเหตุลื้อเข้าไปเพื่อที่จะให้เกิดสิ่งเหล่านี้เราไ ม, ไม่เคยรู้เราไม่เคยย้อนไปดู เราใช้วิธีเดียวนี่แหละกำหนดพิจารณาดูความอยากความอยากภายในใจเดี๋ยวจะมีความคิดขัดแย้งมานะถ้าไม่มีความอยากแล้วเราจะมาทําทําไมไม่มีความอยากแล้วเราจะไปทำหากินทําไมอะไรทําไมเราต้องคิดให้ออกอีกความอยากมีสองอย่างความอยากอย่างหนึ่งอยากประพฤติอยากปฏิบัติอยากให้ทานอยากรักษาศีลอยากปฏิบัติธรรม เพราะการให้ฐานมีระบบระเบียบการรักษาศีลมีระบบมีระเบียบเป็นอริยวินัยการปฏิบัติธรรมมีระบบมีระเบียบมีแบบมีแผนมีกฎมีเกณฑ์แต่ความอยากโดยกิเลสนั่นน่ะว่าจะ่มีความอยากขึ้นมาแล้วก็สนองอยากขึ้นมาแล้วก็สนองอยากขึ้นมาและสนองและความอยากอันนี้มันเป็นความอยากที่พาเราไปปีนเกลียวกับระบบกับระเบียบกับระบบ อปีนเกลียวกับศีลปีนเกลียวกับธรรมปีนเกลียวกันกับกฎหมายบ้านเมืองวัฒนธรรมทั้งหลายทั้งปวงถ้าเป็นความอยากไปในแนวนั้นทนว่าเป็นความอยากฝ่ายกิเลสเราต้องรู้ด้วยอืแต่ร้อยทั้งร้อยถ้าเผื่อความอยากมันโผล่มาโดยธรรมชาติของมันอะ่ะมันจะเป็นเนื้อเป็นหนังของกิเลสแท้ๆเลยแหละนอกจากเรามาฝึกมาฝนจนเกิดความอยากอยากได้อยากดีอยา ก, ยา ก, ยา ก, ยากมีอยากเป็น อยากเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาอยากมีอัตมีธรรมอยากสงบอยากร่มเย็นอยากได้พระนิพพานเนี่จนกว่าความอยากที่เป็นฝ่ายธรรมเหล่านี้จะโผล่ขึ้นมาได้เราจะต้องผ่านการฝึกฝนอบรมแต่ความอยากโดยธรรมชาติที่จะพึงเกิดนั้นมันจะเกิดมาตามธรรมชาติของมันสิ่งไหนที่มันผิดระบบผิดระเบียบผิดระบอบผิดไรกิเลสมันชอบท้าทายมันชอบทําเราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างโผล่ขึ้นมาใหม่ๆนั่น มันโผล่ขึ้นมาจากความอยากเพราะความอยากของคนนะ่ยมันไม่มีประมาณวันวันหนึ่งถ้าเร า, านั่งแยกแยะความอยากเนี่ยเราจะแยกแยะไม่จบมันมากมายยิ่งกว่าแม่น้ําในมหาสมุทรนะยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรนะี่ยนาทีตันหาสมานาทีตันหาคือความอยากความทยันอยากมันไม่มีขอบไม่มีเขตมหาสมุทรยังมีขอบมีเขต กิเลสตัณหาในใจของคนไม่มีขอบไม่มีเขตอิตสระเต็มที่อยู่ในใจพร้อมที่จะนึกพร้อมที่จะคิดประกอบกรรมทําเขียนชั่วชา้าละมกอกยางเลวซามขนาดไหนก็ตามสามารถคิดได้ทําได้นี่เป็นความอยากฝ่ายต่ําความอยากอันนี้เป็นความอยากเป็นไปเพื่อทุกข์ถ้าเราจะคิดเอาความอยากมาขัดแย้งกันอ้าวถ้าไม่อยากแล้วเราจะทำได้ไง เราอยากปฏิบัติให้ทานอยากรักษาศีลอยากปฏิบัติธรรมอันนี้เป็นความอยากเป็นมกักอ่าเป็นมความอยากที่ไม่ใช่มกักความอยากที่เป็นเรื่องของสมุ ท, ทยัยเป็นเรื่องของกิเลสมันเป็นความอยากที่ชอบปีนเกลียวเปลี่ยนปีนเกลียวกับศีลกับธรรมกับระบบระเบียบระบอบต่างๆทั้งหลายทั้งปวงที่สังคมผู้ ด, ดีทั้งหลายถือ ปฏิบัติกันนี่มันชอบพาปีนเกลียวไปอย่างนั้นรับจับได้อย่างนี้เรารู้ได้ทันทีว่าเออความอยากมันก็มีสอย่างนะอยากให้ทานอยากรักษาศีลเรารีบส่งเสริมเข้าไว้อยากเดินจงกรมอยากนั่งสมาธิอยากภาวนาอยากปรึกษาอัดปรึกษาธรรมอยากเรียนรู้ธรรมอยากหาที่สงบที่สงัดเพื่อปฏิบัติธรรมอันนี้เรารีบส่งเสริมเข้าไว้เพราะอันนี้เป็นความอยากที่เป็นมรรค เป็นเหตุให้เกิดความสุขความเจริญที่จิตใจของเราอย่างแท้จริงแต่ความอยากที่ผิดศีลผิดธรรมพอเรารู้ปับ๊บเราก็รู้พอปรากฏต้นต้นเหตุปลายเหตุเราก็พอจะมองรู้โอ้ความอยากอันนี้เป็นไปเพื่อทุกข์เพื่ออยากเพื่อลําบากแม้แต่ความอยากโดยละเอียดขึ้นไปไนมีความอยากคิดไปคิดมาพิจารณาไปพิจารณามาเกิดรักเกิดชอบเกิดกําหนัดเกิดยินดีเกิ ด, ด, กดอะไรต่ออะไรเป็นเส้นเป็นสายไปนี่ อันนี้เป็นเป็นอนุสัยที่ละเอียดติดเนื่องอยู่กับจิตของคนของสัตว์ทั่วไปเราต้องค่อยๆไล่ไปตั้งแต่ความอยากหยับยาบนั่นแหละกับสิ่งกับของของใช้ของสอยติดติดติดของใช้ติดของสอยรวมมาถึงติดร่างกายติดร่างกายของตัวเองติดร่างกายของคนอื่นติดติดสวยติดงามติดอะไรที่เป็นจอมปลอมทั้งหมดที่เกลมันเสกสรรให้ ความอยากอันนี้เป็นความอยากที่ทําให้เราออกนอกลู่นอกทางผิดจากศีลผิดจากธรรมเพราะอะไรที่เป็นเรื่องเป็นเรื่องของศีลของธรรมแล้วให้เรามอบกายถวายชีวิตเข้าไปเลยแม้แต่เราทำเอาเป็นเอาตายเข้าสู้ท่านก็ไม่ถือว่าเป็นอัตตกิลมัทธานุโยกแต่ถ้าเราทํามอบกายถวายชีวิตแต่สิ่งเหล่านั้นเป็นการไปบํารุงบําเรอกิเลศเป็นเครื่องมือของกิเลสอันนั้นอันนี้เรารีบฉุดรีบฉวยรีบดึงรีบลากตัวเราออกจากสิ่งต่างเหล่านี้ อย่าไปบูชามันเรายิ่งบูชามันเราก็ยิ่งจมไปกับมันวัฏฏะสงสารไม่มีที่สุดความสุขที่แท้จริงจะไม่พบความสุขความเจริญเราหวังไว้อย่างเจิด จ, จ้าแต่ในขณะเดียวกันมันไปทําอะไรตามใจชอบอโดยปกติของกิเลสมันทําตามใจชอบไม่มีเหตุไม่มีผลวัฏฏะชอบใจขึ้นมาเนี่ยเกณฑยให้ถูกใจทั้งหมดชอบใจขึ้นมาเกณฑ์ให้ถูกใจทั้งหมดเพราะฉะนั้นราคาเลยเป็นเหตุแห่งกองทุกตา ม, มาโทสะ เป็นเหตุแห่งกองทุกตามมาอิจฉาดิสยาพยาบาททั้งหลายทั้งปวงเป็นแขนงย่อยเป็นสาขาเป็นอะไรต่ออะไรนี่เป็นนื่อเป็นหนังเป็นบริษัทเป็นบริวารของกิเลสทั้งหมดเรารู้ในใจของเราอยู่อย่างนี้เราก็แสวงหาแต่สิ่งที่เปลี่ยนมรรคเป็นข้อประพฤติเป็นข้อปฏิบัติเอาต่อไปนี้เรานั่งภาวนาไปจนจนสิบเอ็ตอนนี้ตอนนี้10บสนาฬิกาเราก็นั่งภาวนาไป ดูดดูดูความอยากข้างในมีสองอย่างนั่นแหละที่มันเป็นคู่ต่อสู้กันอา <c oughs> มาลักษณะไหนบ้างในระหว่างที่เราเคลิมคล้มจะสงบแล้โผล่หน้า มาให้เห็นถ้ากําลังเราไม่พอมันก็ถูกมันฉุดไปแล้วถ้ากําลังมันถ้ากําลังเราพอมันก็หดหัวกลับคืนไปถ้ากําลังเราพอมันก็หดหัวกลับคืนไปอืมเหมือนกับแย่ <c oughs> ใครเคยเห็นแย่มันวิ่งเข้ารูอ่ะพอมันวิ่งเข้ารูปรับเราเดินไปที่รูอ่ะ เราค่อยๆจ้องสังเกตดูนะมันจะค่อยๆโผล่พอโผลมาเห็นเราปั๊บมันก็มันก็ยุบลงไปคืนแล้วแยะกิเลสกับธรรมข้างในก็เช่นเดียวกันตอนโผลเข้ามานะเห็นธรรมเห็นสติธรรมเห็นปัญญาธรรมมันก็หายวับไปเลยโผล มันเริ่มเริ่มโผล่มาในระหว่างที่มันโผล่บางทีเราไม่รู้สึกตัวเลยนะเคลิมพลอยผสมรองไปกับมันเลยนี่คือไม่ทันมันและเราจะเห็นความละเอียดของมันแล้วเราจะเห็นความละเอียดของสติของปัญญาเราเหมือนกันที่ว่ามันทันเนี่ยเนี่ยมันละเอียดนะถ้าไม่ละเอียดจริงๆก็ไม่ทันมันช่วงไหนที่มันละเอียดมากกว่าเราเราไม่ทันมันแต่ช่วงไหนถ้าเราละเอียดมากกว่ามันเนี่ยเราก็ทันมัน ช่วนเราตั้งเนื้อตั้งตัวได้เราสว่างโร่อยู่อมันทําท่าโผลแสดงกิริยาโผลออกมาให้เราเราเห็นพอเราเห็นปั๊บมันก็มันก็หายไปแล้วพอเราเห็นปั๊บมันก็หายไปแล้วมันยุบลงไปแล้วแหละเราดูให้เห็นอาการเหล่านี้นี่แหละมันเป็นการมันเป็นการที่ท่านเรียกว่าตัณหาดับตัณหาดับอืม พอมันเริ่มโผล่ขึ้นมาจะแสดงกิริยาอาการพอมาเจอสติธรรมบัญญาติธรรมปั๊บมันก็ดับแวบไปจักไปไหนไม่รู้มันก็ไปอยู่ที่จิตนั่นแหละตราบใดที่เรายังไม่พบต้นตอที่แท้จริงของมันมันก็เข้าไปอยู่ในนั้นแหละสักหน่อยหนึ่งเผลอๆสติบัญญาอ่อนเนี่ยมันก็โผล่เข้ามาอีกแหละความอยากมันโผล่ขึ้นมาที่เราพูดมันไม่ใช่มีหัวเหมือนหัวแย่นะที่เราพูดเนี่ยอมันเป็นความอยาก มันเป็นอาการอยากของใจที่มันค่อยๆโผล่อ อ, ออกมาแสดงคิดเรื่องคิดบางบางเรื่องก็คือเป็นเหตุให้เกิดราคะคิดบางเรื่องเป็นเหตุให้เกิดโทสะโมหะนี่มีผลตามตามมาของมันเนี่ยมันมันเริ่มก่อตัวมันเริ่มแสดงตัวอยู่ในใจของเราอย่างนี้เราทันมันไมถ้าเราฝึกซ้อมเป็นประจบ่อยๆเราทันมันเห็นมันลยยุบย่อไปทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งนี่ โอ้เหือ่อมันมันเริ่มเหือดไปมันเริ่มแห้งไปอืมไอ้ตัวเที่หยบหยาบมันหดหายไปแต่มันมีตัวละเอียดละเอียดลึกเข้าไปกว่า น, นั้นอีกละเอียดลึกเข้าไปอีกละเอียดเข้าไปอีกอืมเพราะฉะนั้นการปฏิบัติจำระขัดกล่าวสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็ตามมันไปตามมันไปเรื่อยตราบใดที่เรารู้ต้นสายปลายเหตุของมันเนี่ยสติปัญญาของเรากระมือก็เป็นไฟ อาตามไหมสิ่งเหล่านั้นเหมือนกับไหมเหมือนกับไฟไหมขอ น, นั่นแหละอขอนตายอ่ะขอนตายรากมันชัยไปตามผิวดินรากมันชัยไปตามเอียงเอียงรากมันชัยตรงลงไปเป็นรากแก้วลึกๆรากเล็กรากใหญ่ร า, ากอะไรไฟไหมไปจนหมดตามไหมไปจนหมดมคือมันมีกําลังพอแล้วก็สามารถตามไหมไปจนหมดมถ้า ถ้าเราได้ประสบการณ์สิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วความเป็นไปเองได้บ้างมันก็เริ่มมีมันก็เริ่มมีม ก, มมการที่มีกรจีดกระใจต่อสู้กับกิเลสเห็นผลได้กำลังใจมันก็เริ่มมีมันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงจุดอยู่ตรงจุดเล็กๆตรงนี้แหละพยายามเลาเข้าเลาเสติให้แลหลมเลาปัญญาให้แลหลมเล่าจิตของเราให้แหลม เ้าจิตของเราให้ขมด้วยสติด้วยปัญญาเอาอะไรเอาอะไรมาเหลาทีแรกเราก็ชะลอมันอยู่สักก่อนให้มันสงบให้มันสงบเอาสิ่งที่สกปรกโสโครกที่เป็นกลมายาของกิเลสออกไปสั ก, ก่อนให้มันอยู่ในความสงบจากนั้นแล้วก็ค่อยขยับเข้ามาคลี่คลายเหลาเขาไปเหลาก็าไปแล้วก็ไ ป, อปอกไป็ปอกเข้าไปปอกเข้าไปปอกเข้าไปเหลาเข้าไปอันนี้เป็นอุ ป, ปมา พูดเป็นข้อเปรียบเทียบข้างในแต่ตัวมันจริงที่มันเกิดในใจใครเห็นใครรู้ใครทันมันคนนั้นก็จะรู้เองเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเห็นมันความตื่นตัวมันจึงมีมากความตื่นเนื้อตื่นตัวมันเหมือนจากคนหนึ่งมันเปลี่ยนไปอีกเป็นอีกคนหนึ่งเปลี่ยนจากคนหนึ่งไปเป็นอีกคนหนึ่งเปลี่ยนจากจิตใจดวงที่เคยมืดๆทึบๆนี่ยเปลี่ยนไปเป็นอีกเป็นจิตใจอีกดวงหนึ่งตั้งหา มีฐานมีความรู้มีความสว่างอยู่ข้างในสว่างด้วยสติสว่างด้วยสัมผชัญญะสว่างด้วยปัญญาอยู่ข้างในแสงสว่างเสมอ้วยปัญญาไม่มีปัญญาข้างในเกิดขึ้นจากสติพร้อมสัมผััญญะพร้อมความประคับประคองพร้อมพร้อมที่จะทาให้ดวงปัญญาดวงนี้ความสว่างดวงนี้นี่ สว่างเต็มรอบเข้าไปเรื่อยๆพรรอบเข้าไปเรื่อยๆตราบใดที่ใดก็ตามเมื่อว่าจะเป็นที่ซอกที่มุมตรงไหนก็ตามถ้ามีแต่ความมืดๆเนี่ยอสา ร, รพิษมันชอบเข้าไปอยู่จิตที่มืดอสา ร, รพิษก็ชอบโผล่ตัวออกมาแสดงตัวให้ปรากฏทั้งๆ ท, ท, ที่เป็นตัวอส ร, รพิษแท้ๆปรากฏในใจของเราเราก็ไม่รู้เพราะอะไรเพราะใจมันมืดนี่แหละอานาจของอวิชชาอํานาจของโมหะความล่มหลง ตัวสติตัวปัญญาตัวเดียวที่จะทําให้เรารู้รู้จักตื่นเนื้อตื่นตัวและเห็นโทษเห็นภัยของมันสงบระ ง, งับชะล อ, อต้นเหตุของมันได้เราก็ได้รับความชุ่มเย็นในหัวใจทําเองเห็นเองอนี่ยทำเอง <c oughs> เห็นเ อ, เองเพราใจมี ใจของเรามีกิเลสเราจะเห็นเราก็เห็นที่ใจของเราเราก็ทําเองเราก็เห็นเองรู้จักเองเข้าใจเองข้างนอกเป็นพระปัจจัยเท่านั้นจากเทศจากฟังครูบาอาจารย์จากตํำรับตําราจากอะไรต่ออะไรก็ตามจากคนนู้นจากคนนี้เป็นปัจจัยอื่นที่เรียกว่าพระปัจจัยปัจจัยอื่นเราได้ยินแล้วเราผ่านไปสนบ้างไม่สนบ้าง ก็ถือว่าเป็นปัจจัยอื่นแต่ปัจจัยที่จะได้เห็นได้ผลที่แท้จริงก็ต้องต้องเป็นอัตตปัจจัยปัจจัยที่เกิดในตัวเราเกิดจากสติของเราจากปัญญาของเราจากความภาคความเพียรของเราจากประสบการณ์ของเราอันนี้เป็นปัจจัยข้างในปัจจัยปัจจัยอื่นเราเอาก็ก็เอาเราไม่เอาก็ก็คือไม่ได้พระยาพุทธเจ้าท่านทรงตรัส เ, เราเป็นแต่เพียงผู้บอกอืม เธอทั้งหลายต้องทําเอาเองเราเป็นแต่เพียงผู้บอกทางนี้ควรเดินไปอย่างนี้ไปอย่างนี้ไอย่างนี้การลงมือเดินไปนั้นเป็นเรื่องของเธอเอง ท, ที่จะเธอจะเดินเดินไปเอง أ, การที่จะชําระจิตชําระโมหะภายในจิตของเราเนี่ยเป็นเรื่องเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องชําระของเราเองเพราะเราเป็นคนมืดบอดเองในเมื่อเราชําระเอง เ, อเราก็สะอาดไปเรื่อยหมดจดไปเรื่อยแล้วใครจะมารู้แทนเราก็เราก็รู้เรา เราชำระไปแล้วเพราะฉะนั้นปัจจิตตังปัจจิตตังสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกปัจจิตตังจึงเป็นบทรับประกันตลอดกาลเหมือนกับเรารับทานอาหารเราอิ่มหรื อ, อยังไม่อิ่มเราจะต้องไปถามใครประสบพบเห็นในใจของเราเรารู้เราเห็นเรานอกจากแปลกประาดและก็เอาสิ่งนุ่นมาคุยสู่กันฟังสิ่งนี้มาคุยสู่กันฟังเท่านั้น เ อ, อาต่อไปเป็นอะไรนี่ทาจม า, นะาม CD, ะาานะท่านมีซีดีพระศาสดาหนึ่งพระศาสดาหนึ่งหนึ่งคือม้วนหนึ่งเลยอ๋อมีแผ่นหนึ่งแผ่นสองแต่เป็นดีวีดีนะ <c oughs> ถวายเครื่องไทยธรรมก็จบลงต่อไปก็จะให้พร จะอันโมธนาปิดท้ายเพราะต่อจากนี้ไปก็หมอก็จะพาไปที่รัตตานินไปดูตาตามันเสื่อมไปตามการตามเวลาของมันเมื่อสามปีก่อนมันเสื่อมข้างนี้เป็นใยแมงมุมเมื่อปีที่แล้วมาเสื่อมข้างนี้มาอารงคราวก่อนหมอก็พาไปไปที่รัตตานินมาคราวนี้ก็อยากให้หมอพาไปอีกก็เลยหมอก็เลยประสานไปไปแล้วเพราะว่าพระพ ร, ะรจึงได้ออกแ ต, แ ต, แต่ตั้งแต่ตอนนี้ เพราะก็มีเวลาจํากัดให้ที่นู่นถึงจะลาสิน8แล้วถือสิน5แล้วก็ตามแต่ว่าได้ยินว่าะจะพาปฏิบัติไปจนถึงบ่าย2ใช่ไหมไปจนถึงบ่ า, าย2บ่าย2บ่าย3เราก็มีเวลานั่งนั่งภาวนาไปอีกมีเวลาพิจารณาทำไปอีกนะขอให้ทุกคนทุกท่านตั้งอกตั้งใจ ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมในเมื่อเราออกจากศินแปดเราอยู่เราก็มีศินห้าติดตัวเราไปอยู่ในในบ้านเราหรือเราอยู่ไปอยู่ในกลุ่มงานเราเราไปอยู่ในสังคมเล็กสังคมใหญ่ของเราก็ให้เราพยายามเอาถือสินหาเนี่ยเป็นศินห้านี่เป็นหลักเป็นบรรทัดฐานแล้วก็ให้ถือความสงบความร่มเย็นความสามัคคีปลองดองเป็นเรื่องใหญ่ ความที่รู้จริต ร, รู้นิสัยซึ่งกันและกันและความไม่รู้ไม่ขัดแย้งกันและการปัจจัยส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเกิดความสามัคคีพรองดองกันนั้นคือเราอยู่ด้วยกันนั้นเราต้องหวังพึ่งกันเราหวังพึ่งเขาเขาหวังพึ่งเราเพราะคนที่หวังพึ่งกันนั้นจะต้องอ่อนน้อมเข้าหากันแต่ถ้าหากเราไม่หวังพึ่งกันเนี่ยมันจะทิฏฐิมานะเข้าหากัน แม้แต่อย so so so ู่สองคนก็ไม่ถูกกันถ้าเราไม่หวังพึ่งกันแต่ถ้าเราหวังพึ่งกันเราอยู่เป็นร้อยเราอยู่เป็นพันเราเห็นทุกคนมีความสําคัญเราพึ่งกันได้เราจะทําตัวอย่างไรเพื่อที่จะเพื่อที่เขาจะให้เราพึ่งได้ผู้ใหญ่หวังพึ่งผู้น้อยก็ได้ผู้น้อยหวังพึ่งผู้ใหญ่ก็ได้อย่าคิดว่าผู้ใหญ่ไม่พึ่งผู้น้อยนะผู้ใหญ่ก็ต้องพึ่งผู้น้อยในบางสิ่งบางอย่างผู้น้อยก็ต้องพึ่งผู้ใหญ่ในบางสิ่งบางอย่าง เพราะฉะนั้นสังคมมนุษย์นั้นเป็นสังคมที่ช่วยเหลือกันการที่เราไม่แตกความสามคัคคีการที่เรามีน้ำหนึ่งใจเดียวกันเราจะต้องมีธรรมะข้อหนึ่งที่เป็นเครื่องมัดจิตใจของเราในหลักท่านพูดเอาไว้น่ะสังขาวัตถุสังขาวัต ถ, ถุนะเป็นการสงเคราะห์กันด้วยวัตถุรวมทั้งสิ่งของรวมทั้งความประพฤตนะิมีการให้ทานเนี่ยทานก็คือสั ญ, ญลักษณ์ที่เกิดขึ้นจากน้ำพักน้ำแรงของเรา เกิดขึ้นจากจิตใจอันบริสุทธิ์ของเราเราเผื่อแผ่ให้กับหมู่กับเพื่อนกับพวกกับพร้อมเช่นอย่างพวกเราเผื่อแผ่ถวายครูบาอาจารย์อันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งกับหมู่กับเพื่อนเราเราก็มีสิ่งมีของเราก็แจกเราก็ใช้สอยกันได้เรื่องของทานนั้นเรามีพ่อแม่กับลูกเป็นต้นเราก็ดูเอาพ่อแม่กับลูกนี่ถ้าไม่อาศัยการให้ทานไม่อาศัยพ่อกับแม่ให้ทานกับลูกนี่ลูก คนนั้นก็ไม่มีโอกาสที่จะออกมาเห็นโลกได้ด้วยเหตุที่พ่อแม่ประคับประคองลูกและเสียสละให้ทานกับลูกทุกระยะทุกเวลาตั้งแต่อยู่ในท้องประคับประคองประกบปงองงอยู่ในท้องคลอดออกมาแล้วเลี้ยงดูรักยิ่งกว่าชีวิตของตัวเองเนี่เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือการให้ทานเมื่อเราเมเมื่อเราเสียสละให้ทานไปเขาก็ได้รับความสุขได้รับความสะดวกสบายจากเราเป็นการสงเคราะห์กัน เป็นการสงเคราะห์กันและมันเป็นการผูกน้ําใจซึ่งกันและกันบางคนมีกิ ร, ยริยามารยาทคําพูดคําจาไม่ค่อยจะเป็นที่จับจับจิตจับใจนักแต่เมื่อเราเระลึกไปถึงทานที่เราได้รับแล้วเหมือนอย่างเราเป็นลูกระลึกถึงบุญคุณของพ่อของแม่ที่ท่านให้เราแล้วเราก็เลยเอาบุญคุณนี้ว่าเราเนี่เป็นหนี้บุญคุณนะเป็นหนี้บุญคุณ ท่านดาเราก็ยินดีฟังท่านดุท่านว่าท่านอะไรอะไรเราก็ยินดีรับฟังแล้วก็พิจารณาใครครวนตามนี่คือความเกี่ยวข้องกันนี่คือผลของการให้ทานสังคมเราอยู่ด้วยความเฉลีย่ยเผื่อแผ่เชือจานแก่กันและกันทานลกสิ่งที่เกี่ยวข้องอีกอย่างหนึ่งก็คือปิยะวาจาคำพูดที่ที่ไพเราะไพรุที่คำพูดที่ไม่ไพเราะไม่มีใครอยากได้ยินได้ฟังแม้แต่จะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีระดับ อ, อัดชรยาขนาดไหนก็ตามแต่ถ้ า, ามีคําพูดคําจาไม่ดีก็ทําให้คนเกลียดคําพูดคําจาที่ดีทําให้กล่อมกลาน้อมน้าวจิตใจของคนของคนที่ได้ยินได้ฟังเราไดนะ้เป็นเหตุให้เราสามัคคีรักใคร่พรองดองกันได้นะคําพูดที่หวานนะวาจาที่หวานวาจาที่ไม่เป็นพิษไม่เป็นภยัยวายจาที่เกิดฟังแล้วเกิดประโยชน์วาจาที่สร้างสรรค์ ฟังแล้วเยือกเย็นในหัวใจเกิดประโยชน์นี่เป็นปิยวาจาเออแล้วก็อัตจริยาคือประพฤติประโยชน์แก่กันและกันเราเอาเรี่ยวแรงของเรานไปช่วยเหลือหมู่เพื่อนคนนั้นคนนั้นคนนั้นคนนั้นคนนั้นช่วยเหลือสังคมอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่อัตจริยาประพฤติประโยชน์แก่กันและกันเรายกตัวอย่างเหมือนอย่างเมื่อวานเราก็ยกตัวอย่างเราตากเราตากผ้าไว้ในกลางแดดกลางในกลางแดดนั่นมีฝนมีอะไรไล่มาอ้าว เจ้าของไม่อยู่เราก็ไปเก็บให้ลักษณะนี้ก็เป็นการประพฤติประโยชน์แก่กันและกันช่วยนู่นช่วยนี้ช่วยพับช่วยเก็บช่วยกวาดช่วยซักช่วยขนขวายทุกเระทุกอย่างที่เห็นเห็นว่าเราพอจะช่วยเหลือกันได้นี่ที่เรียกว่าประพฤติประโยชน์แก่กันและกันพอเราประพฤติไปแล้วมันเป็นเครื่องผูกมัดจิตใจแก่กันและกันได้กลายเป็นบุญเป็นคุณแก่กันและกันได้และอีกอันหนึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือสมานตาตา การทำตัวเสมอต้นเสมอปลายคนเราเนี่เราอยู่ด้วยกันนี่ถ้าหากทำตัวไม่สม่ำเสมอแล้วอา้าวไว้วางใจไม่ได้ใช่แล้วแม้แต่คนในครอบครัวงเราผัวของเราเมียของเราเนี่ยถ้าหากทำตัวไม่สม่ำเสมอเนี่ยมันจะระแวงแคลงคลางใจทันทีสมานัตตาสมานัตต า, า, รตาประพฤติตนเสมอต้นเสมอปลายอันนี้สำคัญมากน ะ, ะถ้าหาก ทำตนไม่เสมอต้นไม่เสมอปลายเลยมันจะดูยากแล้วมันจะเริ่มดูกันยากแล้วเป็นเหตุให้ต้องได้ระมัดระวังแล้วนี่สำคัญอยู่นะเคยพูดเคยคุยเคยเจรจาเคยช่วยเคยเคยช่วยเหลือเคยยิ้มแย้มแจ่มใสเคยทักทายประสายอะไรอะไรก็ทำตัวสม่าเสมอไม่ใช่วันนี้ไปทำตัวยิ้มแย้มแจ่มใสอย่างดีวันสองวันตามหลังมาไปเจออีกที่หนึ่งทาหน้าบึ้งตึงอ จะพูดจะคุยจะเจรนาจะปราสายจะอะไรอะไรแม้แต่ช่ำเรืองมาดูก็ไม่ไม่ช่ำเรืองมานี่ไม่เสมอต้นไม่เสมอปลายแล้วอทําให้ระแวงระแวงแคลงใจกันแล้วแหละจิตใจที่เคยเกี่ยวข้องผูกพันกันก็แตกกันแล้วหละสัมพันธ์สัมพันธภาพก็แตกกันแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งนี้าทานพิยวาจาอัตเจริยาสมานัตตาจึงเป็นเครื่องผูกมัดจิตใจ กันและกันได้เป็นอย่างดีและธรรมะอีกข้อนหนึ่งก็คือธรรมะที่หวังพึ่งกันและกันเพราะถ้าเราไม่หว MM, ังพึ่งกันและกันต่างคนต่างอวดเรามีความรู้มากกว่าเรามีอำนาจมากกว่าเรารวยกว่าเรามีตำแหน่งสูงกว่าต่างคนต่างอวดทิฏฐิมานะเข้าหากันต่างคนแข็งกระด้างเข้าหากันด้วยทิฏฐิด้วยมานะต่างคนต่างไม่หวังพึ่งกันเฮ้เราช่วยเหลือเราได้เราไม่หวังพึ่งเขา การที่เราหวังพึ่งเขาไม่ใช่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ช่วยเหลือตัวเองการที่เราหวังพึ่งเขามันก็เป็นวิธีการช่วยเหลือตัวเองอีกอย่างหนึง่งแต่มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยนำมาซึ่งกิริยาอ่อนน้อมเข้าหากันให้เรารักใครกันให้เราสมัครคีกันให้เราปลองดองกันถ้าหากตรงกันข้ามแล้วจะเป็นการแข่งกันใช้ทิฏฐิมานะเข้าหากันแตกแม้แต่อยู่สองคนก็แตกกัน ไม่ต้องพูดถึงหลายคนนี่เป็นธรรมะข้อหนึ่งที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคีปรองดองสงบเยือกเย็นร่มเย็นเป็นผาสุขเพราะฉะนั้นพวกเราออกไปนี้เราก็ต้องไปประกอบการงานธรรมากินเหมือนเดิมเราจะต้องไปเกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนกับพวกกับพร้องกับอะไรต่อไรใครรู้ก็ตามใครไม่รู้ก็ตามใครทาก็ตามใครไม่ทำก็ตามแต่เราได้ยินได้ฟังแล้วเราต้องทาเพราะอันนี้ เป็นคุณสมบัติที่ควรทำเราทำไปแล้วเป็นคุณสมบัติประจำกายประจำวยจาประจำใจของเราอืมเพราะทุกคนน well, um anyway> uh ั้นเป็นประามอำนาจรรมของตนเองกรรมของท่านก็คือของท่านกรรมของเราก็คือของเราใครสามารถรักษากรรมของตัวเองให้บริสุทธิ์ได้คนนั้นช่วยเหลือตัวเองได้เอาตัวรอดคนไหนรักษาตัวเองไม่ได้ทำกรรมของตัวเองไม่บริสุทธิ์ไม่ให้บริสุทธิ์ได้คนนั้นก็ช่วยตัวเองไม่ได้อ่าตายแล้ว จะไปสู่ทุกติวินิบาตนารกที่ไหนเราก็ทราบไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องการรับผิดชอบตัวเองในการรักษาความประพฤติิยามรมะยากจึงเป็นเรื่องสำคัญจึงฝากกับท่านทั้งหลายด้วย อ, อย่างน้อยๆประสบการณ์ที่เรามาฝึกฝนอรม3วัน2คืนเนี่ยอันไหนที่เป็นเครื่องเป็นเรื่องประทับจิตประทับใจเอาไปยึดเอาไปถือเป็นข้อประพฤติเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความเจริญงอกงามทางด้านจิตใจ ทางด้านศีลธรรมเมื่อเรามีศิลธรรมแล้วศิลธรรมที่เรามีอยู่เราก็เผื่อแผ่ให้แก่คนรอบข้างเราโดยเฉพาะคนในบ้านของเราเพื่อนพวกพ้องเกี่ยวข้องร่วมงานเราเราก็เอาสิ่งเหล่านี้ไปเผื่อไปแผ่ให้เราเป็นคนแปลกแปลกกว่าเดิมด้วยคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้อ่าไม่ใช่เห็นเมื่อคราวก่อนอนะยิ้มแย้มแจ่มใสมาเห็นคราวมาแล้วก็บึง้งตึงนี่อันนี้ก็ผิดปกติแล้ว เห็นคราวหลังนี้เรายิ่งยิ้มแย้มแจ่มใสมีกิริยาท่าทีที่ดีดีขึ้นที่ดีกว่ามีความสุขกว่ามีอะไรกว่าอันนี้คือเป็นผู้มีคุณสมบัติเพิ่มขึ้นให้กับตนเองอทีนี้ต่อไปนี้ให้พรให้พรเสร็จแล้วก็แจกของที่เป็นที่ระลึกเป็นซีดีก็เป็นเครื่องไปศึกษาความรู้นี่แหล ะ, ะแล้วก็มีวัตถุมงคลได้มาจากลบุรี ใครต้องการก็เอาใครไม่ต้องการก็ไม่ต้องเอาแล้วก็มีซีดีนี้ด้วยซีดี น, น, นี้โทษของกามกับอันนี้โทษของกามกับอันนี้จิตจิตดิ้นรน อันนี้เราเองเป็นเป็นผู้ปรุงรสชาติลองไปไปทานทานดูลองไปทานทานกันดูนะรสชาติเป็นยังไงถูกลิ้นถูกปากไหมต่อไปให้พรครับผ่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้พอ่อนอาจารย์มณนะฐรับเราให้พอรอนด้วยกันแล้วก็ที่ไม่ไม่ลืมที่จะขอบุญขอบคุณอาจารย์มณนะมาเป็นหมู่เป็นเพื่อนมาเป็นหมู่เป็นเพื่อนอาตมาด้วย มาเป็นหมูเป็นเพื่อนให้ความรู้แก่พวกเราทั้งหลายด้วย อ, อ, าอาจารย์มนะขอขอบคุณขอบุญ ข, ขอบคุณท่านณนะทีนี้ด้วยอาจารย์มณนะโอกาสต่อไปท่านก็จะได้มาช่วยเหลือพวกเราอย่างนี้ยะทาวาริวหาปูราปริปูเรนติ สักครังเอวะเมวิโตทินังเปตานังอุปกาปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังขิปเมวสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยธ า, ามนิโชติรโาโสยธาอมอโยวิวัชฉันตุสัพพรวโรขวินาท มาเตมพาวตวันตาไยอยสุขีทีคขายุกมอภิวัฒนาศีลสนิจังวุทาปิจายน้อยตาโรยธรมมาวัฒน์ทีอายุวันนสุขัง พลังสัพพุทธานุพาเวนะสัพพัฒมานุเวนะสัพพังฆานุพาเวนะพุทธรัตนังธรรมารตนาังขารัตนาังติน an ังรัตนานังานุพาเวนะจตุราสีต an ิสัจ มาขันธานุภาเวนปิตา迦ตยานุภาเวนชินสาวกานุเวนะสัพเพเตโรคาสัพเพเตพยาสัพเพเตอันตรายา เพตุปตะวาสสะเพตุนิมิตาสสะเพตอวามังคลาวินาศสันตุอายุวัตธนวัตทโกสิริวัตทากุยศวัตทโกุพลวัตทากุวันวัตทโกสุขวัตทากโหตุสาปทา าคารวะขพยาเวราสโสกาสัตยตจุปตะวาอาเนกาอันตรายาปิวินา <c oughs> <c oughs> จายาสิทนนังลาพังสอดทิภาคยังสุขังพลังเสริอายุจวันโนยชโภขังวุฒิเจยสวา สาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสาวตายสา พ, พุทธานุภาเวนะสะทาสดทิพวันตุเตภวตุส า, พ, พ, สา พ, พมังขลัง ขันตุสาปเทวตาสาปฏรมายุภาเวนัสธาโสธิภวันภวตุสาพามังคลังรักขันตุสาปเทวตาสาสังคานุพาเวนสัสธาโสติภวันตุเตม รุ่นนี้ให้ชื่อว่ารุ่นคุณย่า ก, กรุณาลูกหลานใจดีคราวก่อนนั้นให้ชื่อรุ่นว่ารุ่นคุณย่าเมตตาลูกหลานใจดีคราวนี้ให้ชื่อว่าคุณย่า ก, กรุณาลูกหลานใจดี น, นคุณย่านนคุณยอมแม่จิตสมร อ, อายุแปดสิกว่าปีแล้วมาเป็นกำลังใจให้กับพวกเรา นะพอเราทำตั้งแต่อายุขนาดนี้นมเด็กเล็กขนาดนี้ไปจนถึงอายุแก่เท่าขนาดนี้เป็นการสะสมที่ระยะยาวสุกติเราไม่ต้องหายห่วงเรื่องสุกติเป็นอยู่ในปัจจุบันแล้วก็เป็นไปในอนาคตต่อไปรับทำไงจัดรายการไงฮะฮะฮะแจกแจก มารับเป็นรายยเลยใช่ไหม็ดี เราเราตรวจยืดเราตรวจไม่ได้ คุณหมอขาพระอาจารย์พระอาจารย์เรียกคะ่ะ